ให้พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจนี้มันเมื่อมันยังมีกิเลสรบกวนอยู่มันก็ อ, อกแปกถ้าละกิเลสได้เท่าใดมันก็สงบลงไปได้เท่านั้นดังนั้นต้องให้เห็น ความสำคัญของการละกิเลสคนเรานั้นนะจะเป็นสุขก็เพราะฝึกขนใจให้ดีจะเป็นทุกข์ก็เพราะไม่ฝึกขนใจปล่อยให้กิเลสมันครอบงำเอาเราจะไปหาความสุขความทุกข์ที่อื่นมันไม่พบหรอกจะไปสงสัย เราอยากรู้จากทุกดูที่ใจนั้นอยากรู้จักความสุขก็ดูที่ใจดังนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้เราภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งในทุกข์ในสุขนั่นแหละถ้าใจ ก, กดแก่งอยู่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันอะ่ะมันไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกซ้ําเป็นไรเมื่อใจมัน ก, กดแก่งอยู่ สิ่งนี้เป็นโทษมันก็ไม่รนนู้สิ่งนี้เป็นคุณมันก็ไม่รู้อันนี้แหละสาเหตุที่ไอ้คนเราทําความชั่วอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะความไม่รู้นี่เองนะที่ไม่รู้เพราะไม่ฝึกใจให้สงบระ ง, งับปล่อยให้ตัณหามันครอบงาเอา ความอยากมันท่วมท้นจิตใจแล้วมันก็มันมันมีอวิชชากากับด้วยอวิชชาคือความไม่รู้นะนะทั้งอยากทั้งไม่รู้อย่างนี้นะมันถึงได้ทำชั่วลงไปไม่รู้ว่าความอยากได้อันนี้อยากทำอันนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันไม่รู้อย่างนี้นะ มันเพ่งได้ทำลงไปจึงได้ทำชั่วไป <c oughs> ดังนั้นเรามาฝึ ก, กจิตให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำไว้ความรู้ความฉลาดจมเกิดขึ้นได้สามทางทางหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยการเรียนการท่องการจํา การฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนักปรารผูรู้ทั้งหลายทางที่สองเกิดจากการดำริตริตองคำสอนของพุทธเ จ, จ้าที่ได้ยินได้ฟังได้จดจำเอามาแล้วไว้ในใจของตนเพียงจะจำได้เฉยๆถ้าไม่น้อมสติเข้าไป ตรีตรองพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะรู้แนวทางปฏิบัติได้เมื่อเราน้อมเข้าไปทำจิตให้ตั้งมั่นลงเวลาพิจารณาใน้ธรรมะข้อนี้มีความหมายอย่างนี้คือมีความหมายในทางปฏิบัตินะ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้จะยกตัวอย่างให้ฟัง มันยังไม่ตาอย่างนี้นะความหมายก็ว่าปรารถนาจะให้เป็นสุขนี่ทีนี้มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าจิตใจของตนนี่นะ่ะตนปรารถนาให้คนและสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันหรือไม่หรือว่าตนปรารถนาให้ตั้งแต่บุคคลที่เป็นมิตรเป็นญาติของตน ดีต่อตนเท่านั้นมีความสุขถ้าคนใดไม่ทำดีไม่พูดดีต่อตนสแสดงเป็นศัตรูตนอย่างนี้ก็ปรารถนาอยากให้มันชิพราย ว, วอดลงไปความคิดมีอย่างนี้หรือเปล่าอืมถ้าความคิดเป็นไปอย่างนี้ไม่เชื่อว่าเป็นผู้เจริญเมตตาในพระพุทธศาสนาเมตตาในพพุทธศาสนานี่ เป็นอภัมมัญญาทั่วไปแก่บุคคลไม่จำกัดเพศไม่จำกัดไว้ไม่จำกัดชาติศาสนาไม่ว่าคนดีคนชั่วปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันหมดเลยทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งสัตว์ตีรฉานที่มีพิษไม่มีพิษที่ดุร้ายไม่ดุร้ายก็ตาม นี่ต้องวางใจให้เสมอในสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้คือมีความปรารถนาที่จะให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขทั่วหน้ากันเนี่ยอย่างนี้นะคําว่าเมตตานะ่ยมันมีความหมายอย่างนี้แนวทางปฏิบัติแล้วเมื่อเรารู้ความมเนี่ยเราจะเริญเมตตานั่งภาวนาสมาธิเรากน็นึกคิดตำริตรีตองไปอย่างนี้อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ รู้จักความมุ่งหมายของธรรมะแต่และข้อที่ที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจกรุณาความสงสารใช่ไหอสงสารยังไงบ่านี่มันมีความหมายอ่ะก็เมื่อเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเช่นนี้แล้วก็คิดช่วยเหลือเกื้อกูล ให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลําบากนั้นไปไอ้เท่าที่เราจะช่วยได้ตามสติกําลังความสามารถเห็นคนเจ็บโยหรือเห็นคนถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็เบือนหน้าหนีหนีไปเสียไม่เหลยวแลไม่ช่วยเหลืออันนี้ท่านเดียวกับคนใจดอคนขาดการุณาความสงสารเอ็นดูในฐานะ เป็นสัตว์โรคร่วมกันคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันธรรมดาผู้มีจิตใจประกอบไปด้วยกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วเมื่อเห็นเพื่อนผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากถึงความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เราอดไม่ได้จะเบื่อนหน้านี้ไม่ได้แต่พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ นึกถึงกรรมถึงเวรของเขาที่เขาทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาใครก็ช่วยไม่ได้เมื่อนึกถึงกรรมเวรของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็วางจิตเป็นอุเบกขาลงนี่ทนยว่าวางเฉยลงไปไม่ต้องเสียใจไม่ดีใจ ừ, การเจริญพรมวิหารต้องมีอุเบกขาเป็นที่สุดส่วนมุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนี่คนผู้ที่มีกิเลสชอบอิจฉาลิชยาผู้อื่นแล้วพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีมีคนยกย่องนับถือมีอัติเลขกระลาบมากคิดอิจฉาในใจแล้วอืมอิจฉาอยากจะกดอยากจะขมเขาลงให้ยกตนขึ้น ให้เป็นผู้ดีมีผู้มียุคลองสรรเสริญเยนย่อเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ขาดปุถิตาความพอยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมันก็เกิดความอิจฉาพยาบาทขึ้นมาหรือเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาในบุคคลเหล่านั้น อันนี้มันก็เป็นการสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจค็ออย่างนี้นะนี่แหละความหมายของธรรมะแต่และข้อต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่ า, วาจริตนิสัยของตนเคยเป็นมาอย่างนั้นเมื่อมาเรียนธรรมรู้ธรรมอย่างนี้แล้วแล้วก็ละนิสัยอย่างนั้นนะข่มใจละเข้าไป เรียกว่าเป็นกิเลส ท, ที่เราจะต้องละถ้าไม่ละแล้วก็จะเป็นคนดีไม่ได้เลยจะไปเข้าอยู่กับสังคมใดเขาก็รังเกียจสังคมที่เขาตั้งอยู่ในยุติธรรมเขาก็รังเกียจเนี่ยทางที่ดี เมื่อเห็นเขาทำดีเขาได้ดีกว่าเขาได้รับความยกย่องจากสังคมมากเลนเราปรารถนาอย่างนั้นก็ทำดีเข้าไปคนเรานะ่ยมันจะทำดีอย่างเดียวกันได้ทั้งหมดไม่ใช่หรอกมันก็ทำได้คนละอย่างกันผู้ดใดมีความชำนิชำนาญอย่างไรก็พยายาม ทำการงานอันเกี่ยวแก่ความชมัชม้นิชชํานาาของตนให้มันดีขึ้นให้คนทั้งหลายได้ยอมรับรู้ว่าผู้นี้ฉล า, าดงานอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อเห็นเขาฉล า, าดเกี่ยวกับงานการอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ยกจงเข้าไปแล้วก็แสดงความพอยินดีด้วยไม่คิดอิจฉาริษยาอย่างนี้นะจึงเรียก ว, ว่า เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีก็พรอยินดีไปด้วยไม่อิจฉาลิษยานี่ความหมายของธรรมะ ม, มันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วมันก็เป็นไปเพื่อความสงบที่อยู่ด้วยกันหมู่มากก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ขัดแย้งกันในหน้าที่การงานเอ้าใครถนัดความรู้ในทางไหนมากก็ทํา การงานอย่างนั้นตามความรู้ของตนให้มันเป็นไปแต่ผู้ใดไม่มีความรู้อะไรอย่างนี้ก็ยอมตอนลงอเอ่ยยกผู้ที่เขามีความรู้สูงกว่ายกยอเข้าไปอาศัยการณาตัวให้เขาแนะนําไม่ไม่ไม่ถือตัวว่าตนก็คนคนหนึ่งละไม่ยอมให้ใครสอน ไปถือเมาแต่ถือตัวอยู่นั้นก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยมันเป็นยังงั้นคนเรานะ่ะเมื่อตอนไม่รู้ไม่ฉลาดอะไรเขารู้กว่าตอนอย่างนี้เราก็ต้องยอมลงให้เขาสอนแม้เราจะมีอายุมากกว่าเขาก็ตามจะมีคุณวุฒิอื่นอย่างอื่นนั้นสูงกว่าก็ช่างเราก็ยอมวางลงไปวางตนลงไป เมื่อผู้ใดทําได้อย่างนี้มันก็ได้ความรู้เพิ่มเติมที่ความรู้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในตัวของบุคคลอื่นเขาเรายอมผูดง่ายว่าเรายอมเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว เ, เขาก็ถ่ายทอดความรู้นั้นให้เราเขาก็ฝึกเราให้รู้ให้ฉลาดในการงานอันนั้นเราก็ได้ความรู้ขึ้นมาอมันก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะมิแต่ดีขึ้น อย่างงี้นะแล้วคนอื่นเห็นเรามีความสามารถทำได้อย่างนั้นนะเขาก็ยกย่องเหมือนกันนะทีแรกนี่นก็ธรรมดาเนยเมื่อตอนยังไม่มีความรู้ก็ถูกคนอื่นดูถูกดูหมิ่นเอาบัางทำนี่ตีเตียนเอาบัางก็อดเอาทนเอาก็ทำอย่างไรตนมันไม่มีความรู้นี่ก็ยอมให้เพื่อนว่าแหละ ไอ้เพื่อนว่าอย่างนั้นนะแสดงว่าเพื่อนเตือนนะเตือนตนให้รู้สึกตัวว่าตนนั้นมันมีความรู้อะไรทำอะไรก็ไม่เป็นอย่างนี้นะอย่าไปถือว่าเพื่อนตำานีตีเตีตตตตตยนเย็ดย้มดูหมิ่ตนตนแต่พวกทด่ไปถืออย่างนั้นแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้ความฉลาดสักทีอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่แถมก็ออยังเกิดการทะเลวิวาทอะไรกับ อ, อะไรกันไป กลายเป็นคนไม่ดีไปมันเป็นอย่างนี้นะคนเราเนะ่ยบวชจะถือเนื้อถือตัวในทางที่ผิดจูงนั่นเนะี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญให้เข้าใจถ้าถือตัวในทางที่ถูกนะ่มันดีเช่นอย่างว่าเราไม่ยอมทำความชั่วแหละถ้าเป็นพระพิสุสามเณรอย่างนี้นะเมื่อบวชเข้ามาแล้ว ต้องตั้งอธิษฐานใจลงไปว่าเราจะปฏิบัติตามธรรมวินัยครบถ้วนเว้นเสียแต่มันพังเผอเท่านั้นเราจะไม่แกล้งล่วงศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเพราะวินัยนั้นเป็นรากแก้วของศาสนาพุทธศาสนาจะตั้งยังยืนอยู่ได้ก็เพราะบุคคลมาสำรวมวินัย ไม่ล่วงละเมิดที่ในที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้อืมอย่างนี้เราอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจดูพุทธบัญญัติต่างๆทรงห้ามไว้อย่างไรเรียนให้รู้เมื่อรู้แล้วเราก็สังวรระวังนมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังไม่แกล้งล่วงอ้อย่างนี้จึงเรียกว่า เป็นผู้ที่ปฎถนาดีต่อตัวเองจึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีในโลกบรรดาคนผู้ดีทั้งหลายในโลกนี้เขายอมทำตามระเบียบของหมู่ของคณะไม่ว่าแต่ในพระธรรมวินัยนี้เลยแม้ในภายนอกผู้ที่เขาได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเกียรติมียอดมีคนนับถือหรือหน้ามากๆา ลองฟังดูดสิเขาทําความดีเขามีความสามารถความฉลาดในหน้าที่การงานนั้นๆเขาทําให้จนปรากฏในคนหมู่มากได้เห็นยอมรับว่าผู้นี้มีความสามารถในหน้าที่อย่างนี้จริงๆเช่นนี้นะคนส่วนใหญ่เขาก็ยกย่องขึ้นอย่างนี้แหละอย่างเช่นยกตัวอย่างใน บรรดาพระราชวงศ์ของพระมหา ก, กษัตริย์อย่างนี้นะในปัจจุบัน น, นี้พระราชโอรสพระราชธิดาก็มีความสามารถในหน้าที่การงานเรียนรู้ในหน้าที่การงานเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติ จนได้คนทั้งหลายยอมรับว่าพระองค์ได้มีความรู้จริงการความรู้ของท่านนั้นทําให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้จริงๆอย่างนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นสเสด็จไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับมากมายคายกองยังมีคนบริจาคเงินทองเข้าของให้เยอะแยะเลยแทนพระราชบิดาพระราชมารดาได้เลยนี่แหละ ไอขึ้นชื่อว่าความรู้ความฉลาดนี่นะรู้ฉลาดด้วยและทั้งใจดีด้วยทั้งมีความอดทนต่อความสนับสริญและความนินทาของคนทั้งหลายได้อีกด้วยนี่คนเรามันจะดีได้นะมันต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะดีเองโดยไม่ได้ปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ดีไปได้อย่างนี้ไม่ใช่นะดูสิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะั่นเลยว่าคนไทยคนต่างประเทศก็เบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่นั่นเนะี่ยโดยโดยเฉพาะคนต่างประเทศพวกนับถือลัทธิอื่น ถือกันเป็นกกเป็นเหล่าวันดีคืนดีก็ยกพวกตีกันถ้าคนของกกนั้นเหล่านั้นไปทำผิดหน่อยหนึ่งไปกระทบกระทั่งกับคนอีกพวกหนึ่งอีกเข้านิดหน่อยเท่านั้นแทนที่จะทั้งสองฝ่ายมาประนีประนอมกันให้ยกเลิกกันไปไม่แล้ว ยกพวกวัตีกันเข้าไปจนล้มจนตายจนเจ็บจนปวดอย่างนี้มีอยู่ในศาสนาอื่นและที่อื่นนะให้นี่ยกให้ฟังว่าใน้ความรู้ในที่อื่นศาสนาอื่นนะมันไม่เป็นไปเพื่อละกกิเลสตัณหาพยาบาทอะไรเลยสำหรับในพุทธศาสนานี่นั่นแหละเรียว่าเพราะ พุทธองค์ทรงแสดงธรรมไว้ผู้ใดมาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วย่อมไม่ได้ทะเลาะวิวาิกันเลยมันจะอยู่ด้วยกันหมู่มากก็อยู่ได้สบายๆผู้น้อยอย่างนี้ก็เคารพต่อผู้ใหญ่ก็ให้พึ่งเข้าใจเราบวชมานีนะ่เราจะได้บวชเป็นพระเป็นเจ้ามานี่ก็เพราะสง สงเนดีเห็นชอบด้วยเนี่ยนะสงอนับการบวชเนี่ยในประจันตาประเทศในประเทศนอกจากอินเดียออกมานี่นะทรงอนุ ญ, ญาตให้สงจะห้ารูปขึ้นไปทั้งส่วนมากไม่ไม่กำหนดมากอะไรก็ยิ่งดีไปนั่งหอ้อมร้อมเราผู้บวชอย่างนี้แหละคอยสังเกตว่า การบวชมันถูกต้องหรือไม่ถ้าว่าการบวชไม่ถูกต้องตรงไหนอันสงฆ์ที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็มีสิทธิทักท้วงได้ตักเตือนได้ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การบวชนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามพระธรรมวินยัยแล้วก็มีกรรมวาจาผู้ชํานาญในการสวดผู้มีภรษา นับแต่ห้าขึ้นไปสวดสมมติให้เป็นพระเป็นเจ้าขึ้นมาตามพระวินัยนิยมกลัวว่าจะเป็นพระมาได้นะมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เคารพในสงฆ์มาบวชข้ามาแล้วนะเมื่อสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า พระรูปนี่น่ะประพฤติไม่ดีร่วงทรร่วงวินัยอย่างนี้นะคุณต้องสำรวมระวังต่อไปอย่าไปร่วงอย่างนี้ถ้าเพื่อนตักเตอือนอย่างนั้นเราก็ยอมรับยอมปฏิบัติตามด้วยดีไม่โกรธไม่ตอบโต้ไม่คัดค้านความเห็นของสองฆ์หมู่มากที่มีความเห็นตรงตามธรรมตามวินัย ออย่างนี้ฮอย่าไปลืมตัวกลัวว่าจะได้เป็นพระเป็นเจ้ามาเนะี่ยมันต้องมีกรรมวิธีมีอุปชาเป็นอาเป็นประธานในการบวชมีสงเป็นคณะอเป็นสักขีพยานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้บวชเข้ามาใหม่นะอย่าไปตีตนเสมอกับพระผู้บวชมา ก, ก่อน ให้ถือว่าเพื่อนเป็นอาจารย์ของเราโดยลำดับทีเดียวอุปสัมบดาอาจารย์อาจารย์ผู้ให้อุปสมบทนี่มันรวนตั้งแต่คณะสงฆ์เท่านั้นแหละอันข้อนี้นะ่ะแล้วมีอีกสองรูปหนึ่งท่านเรียกว่ากรรมวาอาจารย์อาจารย์ผู้สวดเป็นผู้สวดให้ส ม, มุิขึ้น ถามความดีความชั่วของตัวเองว่าตนมีความบุกพ่องไหมเช่นเป็นขี้ทูดขุดทั้งเป็นกลากเป็นเกลื่อนอย่างนี้นะมีนีมีนี่มีมมมสินติดตัวไหมได้เป็นโจรหัวไมไหมอะไรพวกนี้นะนี่แหละกรรมวาจาจารย์ได้ถามไทย <c oughs> แล้วก็ตอบว่าถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีออ อย่างนี้เลยแต่ถ้าอันใดมันมีไม่ผิดเช่นบาทจีวรมีแล้วไหมมีแล้วอย่างนี้นะกรรมาวาจาจารย์ก็เป็นผู้ถามอย่างนี้ในเราผู้บวกเข้ามาต้องยกท่านเหล่านี้เป็นอาจารย์อีกชั้นหนึ่งเรียกว่ากรรมาวาจาจารย์ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นแเราสงฆ์ทั้งหมดที่ไปนั่งอัฐบาทนั้นเรียกว่าอุปสำปดาาจารย์ อาจารย์เู้เป็นสักขีพย า, ยานให้ในการบวชของเราว่าเราบวชจริงมีอุปชาจริงมีอาจารย์จริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหมู่สงฆ์ทั้งหลายว่าผู้นี้ว่าคำขอบวชก็ถูกอัครพยัญชนะไม่ผิดเพี้ยนอย่างนี้นะมันถึงได้เป็นพระเป็นเจ้ามาต้องต้องคิดให้เห็น เพราะฉะนั้น เ, เมื่อพระอุปชาไม่อยู่เช่นพระกรรมว า, า, รรออธธาอาจารย์หรืออุเทาอาจารย์อาจารย์ผู้ฝึกผู้สอนทาบวชสำเนียงในการขานหน้าขออุปสมบทต่างๆพวกนี้นะก็ให้ถือเป็นอาจารย์รองจากอุปชาลงมาประวรณนาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนได้ เมื่อท่านแนะนำสั่งสอนอย่างใดเห็นเราทําผิดท่านตักเตือนอย่างนี้ก็ต้องเชื่อฟังต้องงดอย่าไปฝืนถ้าหากว่าไปฝืนไม่เคารพจำเกรงเช่นนั้นแล้วการบวชของผู้นั้นก็ไม่เจริญไปได้เต็มไปด้วยทิฐิมานะมีแต่กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจ มันจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้วยเจริญด้วยบุญด้วยกุศลไม่มีผู้ที่มีทิฏฐิมานะแข็งกระด้างกระเดื่องไม่เคารพต่อผู้มีอุปการะคุณแก่ตนก็ให้เพิ่งเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติตามคำสอนของอุปริเจ้านะแม้ว่าผู้ที่ไม่ได้เป็น พระคำว่าอาจารย์สวดให้สมมุติให้แก่เราเป็นพระก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละพวกคณะสงฆ์ที่นั่งเป็นสักขีพยานก็ถือว่าเป็นอาจารย์ชั้นหนึ่งผู้ให้โอว่าตผู้ฝึกสอนในสำเนียงหางเสียงในการว่าคำบวชผู้ฝึกสอนระเบียบการก่าบการไหว้าการบวช ทำยังไงยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นอุเทศอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ผู้ผู้ให้โอวาตหรือผู้สอนทมสอนอยู่ยนให้อย่างนี้นะผู้แนะนนำตักเตือนในทางที่ผิดทางที่ถูกให้ตนได้รู้ทางผิดทางถูกอย่างนี้ท่านเรียก ว, ว่าอุเทศอาจารย์อาจารย์ผู้ให้อวัตแนะนำสั่งสอน เราต้องรู้เราต้องเคารพนอกจากอาจารย์เหล่านี้แล้วก็เรียกว่าผู้ที่ได้รับนิมนต์ไปนั่งหัดทรรมบาตรช่วยเป็นสักขีพย า, ยานให้ในการบวชของตอนมูนี่ให้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยอย่าไปล่วงเกินอย่าไปประมาทอย่าไปตีตนเสมอนี่ต้องทอมตนเสมอไป ให้เข้าใจไหวผู้ที่บวชเข้ามาแล้วก็ดีผู้ที่กําลังจะบวชอยู่ก็ดีต้องให้เข้าใจในทางปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นหน้าที่ที่ของเราทุกคนจะต้องปฏิบัติตามต้องให้มีอยู่ในใจทั้งนั้นเลยนักบวชนี่นะถ้าเป็นนักบวชนี่หักขาด พระโมวิหารธรรม4สี่ประการนี้แล้วมันนั่นแหละมันก็แสดงบทบาทแข่งกระด้างกาเดืองชอบเย็ดย้มดูมิน่นผู้เอินเห็นผื่นเขาได้ดีได้ดีกดเดือดร้อนใจนี่ขอกดเขาลงให้ตำกัวต้นอย่าให้มันสูงขึ้นมาได้อันนี้เป็นกิเลสจัดอยู่ในจำพวกอุปกิเลสนะ กี่เลยที่ทำใจเศร้าหมองอ่ะอุปกิเลสทิ่หกอ่ะอิสาลิสยาเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้แล้วกลับมานะความถือตัวว่าตนนั่นดีกว่าเขาตนนั้นมีความรู้สูงกว่าคนเอื่นอย่างนี้นะปราศทีตนเสมอยกตนเสมอคือถือตัวไอ้ตนนันอ่ะมีคุณสมบัติน้อยกว่าเพื่อน มีความรู้ความฉลาดก็ น, น้อยกว่าถ้าเป็นนักบวชกระต้นก็เพิ่งบวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะแล้วยังไปยกตนตีนตนเสมอกับผู้ที่เขาบวชมาก่อนและไม่แสดงอาการเคารพทางกายทางวาจาอะไรอย่างนี้ได้ชื่อว่ามันไม่ถูกทางเสียแล้วไม่ไม่เป็นธรรมผิดธรรมให้เข้าใจอื จะตีตนเสมอนะหมายความว่าเช่นอย่างวันนั่งอย่างนี้นกันนั่งเสมอกันเลยอืมอย่างเงี้ยบางคนนั่งไข่ห้างเอาขาขัดกันสั่นติติคุยกับผู้ที่เขามีอาวุโสสูงกว่าอย่างนี้ก็มีเลยนั่นไอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะอย่าไปทํากันนะ่ะให้รู้ว่าใครเป็นอาจารย์ของเราในประเภทไหน อย่างที่แนะนำมานี่แหละเพราะว่าอุปสมปร า, าจารนีหมายถึงอาจารย์ผู้ให้อุปสมบทรวมหมดเลยอันนี้น่ะก็ไปนั่งอยู่ในโบสถ์นันน่ะแต่ในทุกวันนี้เพื่อนให้จัดในพระทั้งอุปชาด้วยรวมเป็นสิบรูปเป็นสักถีพย า, ยานในการบวชตั้งแต่ครั้งรุตเจ้านน ไอ้พวกที่อยู่นอกประเทศอินเดียออกมาอย่างนี้ทรงอนุญาตให้ทรงนับแต่ห้ารูปรวมทั้งอุปชาด้วยขึ้นไปบวชได้จะมาที่วันนี้คณะธรรมยุทธเราก็ถ้าหากว่ามันหาพราะไม่ได้จริงๆห้ารูป ก, ก็ให้บวชได้เพราะประเทศไทยเราก็อยู่นอกประเทศอินเดียมาแล้วนี่ แต่ถ้ามีพระพอหาได้อยู่ไม่ควรที่จะไปบวชทาองค์เท่านั้นต้องนับแต่สิบองค์ขึ้นไปให้เข้าใจอย่างนี้มันการบวชมนะันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆมันต้องมีระเบียบแบบแผนมีกิจลักษณะอันนี้อุเทสอาจารย์อาจารย์ผู้ให้ผู้ฝึกผู้ฝึกปรือในการบวชอย่างที่ว่ามาแล้วนะ นี่ทบทวนอีกแล้วก็นอกจากนั้นก็ผู้แนะนำนายทางธรรมทางวินยัยทําอย่างนี้ผิดธรรมทาอย่างนี้ผิดวิดนัยอย่างนี้นะผู้ดใดท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยท่านแนะนําตักเตือนให้เราได้รู้ทำรู้วินยัยนั่นชื่อว่าอุเทสอาจารย์อาจารย์ผู้ให้โอวาตต์ต้องให้เข้าใจอันเป็นบุคคลที่เราต้องเคารพ นอบน้อมโดยกายวาจาใจไ ม, ไม่ไม่ไม่ร่วงเกินนี่กรรมวาจาอาจารย์อาจารย์ผู้สวดสมมุติให้เราเป็นภิกษุภาวะภาวะในพุทธศาสนานี่โดยมากนิยมสองสองรูปดังที่เราทำกันมานั่นแหละอุปชัยอาจารย์คืออาจารย์ผู้ นำกุลบุตรผู้จะบวชนั้นมาเข้ามูมาแจ้งต่อสงบอกว่าบุรุษคนนี้นะ่ะมีความประสงค์อยากจะบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาเนี่ยขอให้สงพิจารณาดูสมควรจะบวชได้หรือไม่อย่างนี้นะแล้วเมื่อสงทั้งหลายนิ่งอยู่ไม่มีใครคัดค้าน ในการบวช ด, ด้านอย่างนี้ก็ดำเนินในการบวชไปได้เรื่อยๆจนจบแล้วอุปชาอาจารย์นี่ยังจะต้องดูแลสัตว์ทิ้งวิหาริกผู้ที่ตนนำข้าหมู่สงบวชอย่างใกล้เคียอดูแลความประพฤติที่ไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัย แนะนำตักเตือนให้ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยอย่างนี้อย่างที่แนะนาอยู่เดียวนี้แหละให้เข้าใจเมื่ออุปชาอาจารย์ไม่อยู่ก็ตกเป็นหน้าที่อุเทศอาจารย์หรือว่ากรรมวาชาอาจารย์นี่นะเป็นผู้ทำหน้าที่แทนอุปชาอาจารย์คือคอยดูแลความประพฤติ ของพระเนนผู้บวชเข้ามาไหมนี่ก็เห็นว่าไม่ดีทักมันทำผิดที่ัยนยังไงก็ตักเตือนห้ามไม่ให้ทำแต่บางคนบางรูปบางนั่นก็เพื่อนห้ามไม่ทำยังขืนทำอยู่ก็มีนะเน่ยเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ไม่ได้นะไปขืนล่วงเกินํำตักเตือนของครูบาอาจารย์ ผู้เทศน์ท่านรู้ทำรู้วินัยผู้ประพฤติต่อทำวินัยดีมาแล้วอย่างนี้เรายังไม่เชื่อไม่ทําตามในวินยัยท่านให้ถือว่าเป็นผู้ว่ายากสอนอยากล่วงทำล่วงวินยัยไม่ยอมปฏิบัติตามทาดักเตือนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ถ้าจะต้องเรียกผู้นั้นเข้ามามาสักเตือน เสียก่อนถ้าเสียแล้วยังไม่ฟังก็จะประชุมสงฆ์เรียกเข้าไปในสงฆ์ไปสวดสมนุภาพาตตตั้งกรรมวาจาจาร์สวดขึ้นเพื่อตักเตือนให้ผู้ทำความผิดนั้นได้รู้สึกตัวสวดจบไปลงไปข้างที่หนึ่งถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวแล้วยอมรับผิดขอยอมสำรวมระวังต่อไปสงฆ์ทั้งหลายก็ยอมรับ เราก็เป็นอันว่าเลิกการตรวจสมนุภาตอันนั้นแต่ถ้าตรวจจบบางครั้งที่หนึ่งก็ออยังนิ่งอยู่ไม่ยอมรับผิดอย่างนี้ก็สวดอีกครั้งที่สองจบลงก็ยังนิ่งอยู่ไม่ยอมรับออกมาไม่สารภาพผิดออกมาได้วาจาอย่างนี้พอกรรมาวาจารตสวดจบทรงครั้งที่สาม ยังนิ่งเฉยอยู่อันนั้นท์ท่านก็ปรับเป็นอาวัตสังกาทิเศตมาคำว่าเป็นบุคคลว่ายากสอนอยากสอนในประพุทธตามธรรมดมวินัยไม่ได้ก็ปรับอาวัตสังกาทิเศตให้อยู่กรรมมาเนี้ยนั่นเองถ้าไม่ยอมทําตามอย่างนี้เพื่อนก็อาไปหีออกไปจากหมู่ระเบียบวันพระวินัยมีอย่างนั้นนะ แต่โทษไม่ถึงให้สึกก็ไม่สึกหรอกถ้าต้องอาบัติปราชิกนั่นมันถึงมีสิทธิ์บังคับให้สึกได้หรือไปดื่มเหล้าเมาสุราคั้นชายาพินเฮโรอินอย่างนี้นะให้มึนเมาอสอนก็ไม่ฟังไปติดของเสพติดงอมแงมเนี่ยอันนี้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ยอมให้สึกได้เลยแต่ถ้าหากว่า ไม่ร่วงปาราสาชิกสี่แล้วก็ไม่ส่องเศษของเสพติดจนติดงอมแงไมไหนละได้อย่างนี้ความผิดนอกนั้นน่ะถ้าดื้อดึงอย่างนี้ก็ท่านก็ให้ขับไล่หนีเสียจากวัดและเสต่จะไปไหนตามพระวินัยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนายฝากกันเข้าใจไว้ระบวดเข้ามานะมีระเบียบนะ ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาไม่มีระเบียบบวชเข้ามาแล้วจะอยู่อะไรตามสอบใจของตัวเองไปไม่ยอมฟังคําตักเตือนของครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้เข้าใจและจะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าเพื่อนขับไล่ออกจากหมู่คน่าไปแล้วไอไปหาผู้อื่นยิ่งไ ล, ล่เลยไม่เคารพนับถือใครแล้วตั้งแต่อุปชาอาจารย์ ของตนเนี่ยสอนอยู่แตแท้ยังไม่ทําตามอย่างนี้นะใ น, นจะไปอยู่กับสํานักอื่นที่อื่นนะซึ่งไม่ใช่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยยากอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําตามมันก็จะเลวร้ายไปเท่านั้นเองนะจะเอาดีไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจนะนี่ตักเตือนนะ่ะ <c oughs> ให้เข้าใจกันนี่แหละละบวชเข้ามาวังเอาบุญเอากุศล หวังตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาที่ท่านมีอุปการรกคุณแก่เราท่านให้เข้ากอนน้ำนมแต่อ้อนแต่ออกสักผ้าที่ตีผ้าเยื่อโอยทั้งเต็มไปนอนอยู่ในท้องของมารดาหนึ่งกับมารดาลําบากพอได้แล้วจะกินเผ็ดกินเค็มอะไรก็ไม่ได้กลัวลูกในท้องจะร้อนเอาจะไปไหนไมนต้องระมระวังกลัวจะหกล้มกระทบกระเทือนลูกอยู่ในท้อง ในอย่างนี้นะต้องนึกถึงมารดาผู้ให้กําเนิดเราให้าหมากๆเมื่อมารดาเรารักใขร่เอ็นโดยนั้นเราก็จึงได้คลอดออกมาคลอดออกมาแล้มาเลี้ยงกันอยู่แสนยากแสนลําบากกว่าจะเจริญใหญใหญ่โตมาได้บันนี้ความมุ่งหมายของมารดาบิดานั้นก็เพื่อให้ลูกตนนั้นได้เป็นคนดีก็เขาได้สืบแทนตระกูล ศษาตรักบุญไม่เสื่อมอก็จึงได้ให้อายุหกขวบเจ็ดขวบให้ศึกษา เ, าเรียนความรู้ในภาษาไทยในความรู้ในทางโรคในการทำมาหาเลี่ยงชีพให้รู้ให้เข้าใจเผื่อว่าเจริญวัยใหญ่โตมาก็จะได้มีความรู้ความฉลาดทรมาหาเลี่ยงชีพ ตำลงวงตรัศล์คุณให้เจริญต่อไปพ่อแม่หวังดีต่อลกูกแคไดี้คนขวายหาเงินหน้าทองมาส่งเสียให้ลกูกได้ศึกษาเล่าเรียนเอา้ามีความรู้ในทางโลกเตอนนั้นยังไม่พอเพราะมันยังกำจัดกีเลสอันชั่วร้ายบางอย่างไม่ได้เลยเอาพ่อแม่ผู้หวังดีต่อลกูกขับมาแนะนําให้ลกูกได้มาบวชเรียนในพุทธศาสนานี่ น, นะ แล้วได้มามอบหมายให้อุปชาอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนให้เป็นคนดีคนดีนี่ลงดีมันผ่านขั้นตอนมาอย่างนี้พวกคนเรานะ่ากว่าจะดิบจะดีได้กว่าจะเป็นผู้ได้รับความยั ก, กย้องสรรเสริญจากคนหมู่มากกว่าคนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมได้นะมันต้องผ่านการฝึกตนมาโดยลาดับ จนมาถึงขั้นอุดมเพศเป็นเพศพิกชุสามนเนนขึ้นมาอย่างนี้แล้วยังสอนไม่ได้ยังกระด้างกระเดืองอยู่ประพฤติอะไรเอาตามใจชอบตัวเองอยู่อย่างนี้ผู้นั้นจะไม่มีทางนะมันจะจะดีได้ต่อไปนะจะบอกให้สาบลวงหน้าไว้เลยพรอทัา้งมาเป็นพระเป็นเจ้าเป็นมูผู้มีเพศอันอุดมขวักคืหัดคลองเรือน มีธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับกายวาจาใจอยู่ปนนัี้ยังทำดีไม่ได้แล้วก็แม้นวาสึกออกไปเป็นผู้ครองเรือนก็เอาดีไม่ได้ทาให้เชื่อลองสังเกตดูนะดูมันเอาดีไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใดหวังดีตัวตัวเองได้บวชเข้ามาแล้วนะให้มงวดต่อ ทำต่อวในอย่ังยิ ง, งต่อข้อวัดปฏิบัติจะไปเกียดคร้านสำรวมในเพื่วินยัยทุกสิกขาบทไปเลยอย่างนี้มันถึงจะเป็นคนดีได้แม้ว่าถ้าตนมีวาสนาน้อยอยู่ไม่ได้ในภาษาสนานี้ซึกออกไปก็จะต้องเป็นคนดีเพราะว่าอยู่ในเพื่อพระวิญได้รับการฝึกปรือจากอุปชาอาจารย์ ได้ฝึกจนตามทาตามวินัยมีกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่กระด้างกระเดืองอย่างนี้น ะ, ะเมื่อเป็นไปเป็นคฤหัสถ์เข้าไปมันก็มีนิสัยดีติดตัวไปทั้นั้นเลเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติมียศธนั่ก็เข้าได้ไม่สไม่เก้อไม่เคินเพราะว่าตนได้ฝึก จัญญามารยาตมาแล้วคนที่ไม่ได้ฝึกตนอย่างว่านี่อันจะไปเข้าใกล้ผู้รักผู้ใหญ่ผู้ชาเลวชาลาดผู้มีคุณความดีอย่างไรนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยกอละอายกระดาถือว่าตนนี่เป็นผู้ต่ําต้อยไม่มีความรู้อะไรแหน่ก็เลยเป็นคนป่าคนเถื่อนไปเรื่อยไป หากินอยู่ตามป่าตามดงไปอย่างนั้นเนียจะไปสังคมกับคนผู้ดีในบ้านใหญ่เมื่องไม่ได้เลยนี่ต้องคิดให้รู้ให้เข้าใจนะะธรทมววนันคำสอนพุทธเจ้านี่ดีจริงๆเราสมควรทำตามแท้ๆเมื่อเราปฏิบัติตามได้ดีเราก็เป็นคนดีในโลกไม่เสียหายอะไรนี่ให้เข้าใจโดยเฉพาะมาฝึกจิตใจในให้ สงบประงับให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสำคัญเนี่ยการสำรวมจิตนี่อย่าไปลืมอย่างที่แนะนํามาแล้วโมดันแหละเพราะนั้นเราความสำรวมนี่ต้องมี ส, สมติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสำรวมยังไงสำรวมไม่ให้ความโลภครอบ ง, งามไมแม้มันอยากได้อะไรต่ออะไรอันผิดทำผิดวินยัย สัมรวมจิตไม่ให้ความโกรธครอบงำ ừ, เมื่อมีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอะไรกระทุก็ทั่งมาก็อดกั้นทนทานห้ามจิตไม่ให้มันโกรธอห้ามตนให้มันได้ไม่แสดงกิริย า, ยาความโกรธออกมาทางกายทั้งวาจานี่จึงเรียกว่าสัมรวมใจเพราะว่าใจเป็นใหญ่กว่ากายกว่าวาจา เมื่อสำรวมใจให้ดีได้แล้วก็ดีกายก็ดีวาจาก็ดีนี่ให้เข้าใจก่อนจะพูดอะไรกับใครที่ไหนก็ต้องคิดต้องปรองเชก่อนเมื่อเห็นว่ามันไม่ผิดทำดผิดศิลผิดวินัยแล้วก็จึงค่อยพูดแต่เห็นว่ามันผิดแล้วก็อย่าพูดนี่เพราะฉะนั้นการสำรวมใจฝึกใจในี่จึงถือว่าเป็นความดี ในพระพุทธศาสนาดังแสดงมา